ข้อความเจริญในธรรมจะมีดต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเร่งธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะได้พูดเรื่องมานะกามสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความใคร่หรือความพอใจในมานะเป็นข้อความในเทวตาสังยุ์เช่นเดียวกัน คือเทวดานั้นมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลเป็นลักษณะคล้ายๆกับขอทราบความเห็นของพระพุทธเจ้าว่าก็เสนอหของท่านนี้นัน้นพระพุทธเจ้าทรงมีความเห็นยังไงเป็นคันกล่าวในลักษณะต้องการสอบทานเทียบเคียงถึงความถูกต้องของความเห็นของตัวเอง เรอจาจะพบว่าในเทวตาสังยุตมีเป็นอันมากที่ลงกันไปเลยแล้วก็มีอันมากที่พระเจ้าก็เสริมเติมขึ้นแล้วก็มีบางกรณมีที่ท่งปฏิเสธเพราะว่าเป็นคากล่าวที่ยังมีจุดอ่อนยังมีช่องว่างอยู่เช่นการพูดว่าพัญญาวัยรุ่นประเสริฐที่สุดเนี่ยมันก็มีปัญหา หรือว่าพูดว่าลูกชายวัวปีเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐมันก็มีปัญหาหรือพูดว่าโคเป็นสัตว์ประเสริฐในโคเป็นสัตว์ประเสริฐในมูสัตว์ทั้งหลายมันก็มีปัญหาเพรั้นก็ทรงอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมข้อความเหล่านั้นให้มีความถูกต้อง สมมูิมากยิ่งขึ้นการยืนยันด้วยการปฏิเสธในบางกรณีเนี่ยถ้าเราตีวงให้แคบเนี่ยมันก็ปฏิเสธได้หรือยืนยันได้แต่ถ้าการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงอย่างเงี้ยมันก็ต้องมองเหมือนกันคือเราจะเห็นว่าเช่นสมมติว่าเราไปพบคนที่ แห่งใดแห่งหนึ่งหรือว่าหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งไม่ดีและเราจะพูดว่าคนในหมู่บ้านนี้ไม่ดีเนี่ยไม่ได้เพราะที่เราเห็นไม่ดีมันมีอยู่เพียงคนเดียวถ้าหากว่าเราจะต้องการจะยืนยันว่าเขาไม่ดีมันก็ต้องพิสูจน์ให้หมดทุกคนแต่ถ้าเราจะพูดว่าคนบางคนไม่ดีขวางได้ หรือแม้แต่การจะยกย่องคนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าในปัจจุบันเราเชื่อพูดในแนวเมาโหลนี่จะเยอะเ ช, ช่นบางทีพูดว่านักการเมืองไม่ดีอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้หรอกรอถ้าพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าบ้านเมืองเราก็คงพังทลายไปแล้ว พนักงานเมืองก็ดูแลมาหลายปีแต่บเมืองก็มีความเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาอยู่มีข่าวคราวอยู่บ้างที่เกี่ยวกับขอรับชั้นแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการกล่าวหาแล้วก็ไม่มีการนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมืม่อศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยเราจะไปลงมติเอามันก็ไม่ได้ แต่ว่าการยืนยันบางอย่างเนี่ยเช่การยืนยันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายต้องพวงเป็นทุกข์ทาต้องพวงเป็นหน้าตาคนเรามาเกิดมาแลว้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากอย่างเนี้ยยืนยันได้แต่มันก็มีความแตกต่างในรายละเอียดแก่เร็วแก่ช้าป่วยมากป่วยน้อย ตายเร็วตายช้ามันก็มันยังมีรายละเอียดอยู่แต่ว่าที่แน่นอนก็เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ประสบกับความพลาดพลาดสูญเสียก็ไม่เจาะลึกลงไปในรายละเอียดพอถ้ารายละเอียดมันก็จะเจอข้อที่แตกต่างกันเทวดาได้มากล่าวในทํานองเสนอความเห็นว่าธรรมะย่อมไม่มีแก่บุคคลที่ปรารถนามานะ ความรู้ย่อมไม่มีแก่บุคคลที่มีจิตไม่ตั้งมัน่นบุคคลผู้เดียวเมื่ออยู่ในป่าประมาทแล้วไม่พึงข้ามพ้นฝั่งแห่งเตภูมิกะวัดอันเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุได้แล้วก็มีประเด็นของธรรมะหลักอยู่สองข้อข้อเดินเป็นกุศลธรรมคือธรรมะข้อที่สองเป็นอกุศลธรรมคือมานะ ต่นี้ทั้งทั้งสองข้อเนี่ยเราจะพบปรากฏในสถานที่ต่างๆแล้วก็มีความหมายแตกต่างกันแต่ยกตัวอย่างธรรมะในคารวัสธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมารับสั่งเป็นพระบรมราชวัตรสี่ประการเมื่อพศสองพนรยี่สิบห้านะครับ แต่ลองรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ร้อยปีเหอเจนว่าธรรมะในที่นั้นพอดีเกิดไปอยู่รวมกับขันติมมนก็หมายถึงการฝึกปลือตัวเองการพัฒนาตัวเองในขณะเดียวกันการเหนียวนึกตรึกนึกซึ่งเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นภายในใจเนี่ยมันต้องข่มใจตัวเองจากความตรึกนึกในลักษณะนั้น ทีเรื่องไม่ดีซึ่มาจากข้างนอกมาก็เป็นภารกิจของขันติธรรมะทั้งสองข้อเนี้สมมุติว่าเขาเกิดแยกกันอยู่ไอ้กรอบของธรรมะมันก็ไปกินกรอบของขันติด้วยกรอบขันติเองก็ต้องกินกรอบของธรรมะด้วยคล้ายๆกันจากะกับทานนะฮะโดยเช่นว่าตามปกติแล้วจะไม่อยู่ด้วยกันหรอก พะเนื้อหาสาระแล้วเป็นันเดียวกันในทศพิธราชธรรมเกิดมีทั้งสองอย่างคือมีทานและก็มีปริจาคะปริจาคขะก็มองมาในรูปของการสระประโยชน์สุขสูญนตนเองเพื่อประโยชน์สุขแก่อนาประชาราษฎร ส่วนการสละทรัพย์สินเงินทองอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็อยู่ในรูปทานหมดละ ว, วันนี้ก็คือสละผลประโยชน์ประโยชน์สุขความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่อาณาประชารัฐดอนผลคําบาลีตรงนี้ท่านชายกล่าวว่ามาน ก, กามัตสะได้แก่ผู้ใคร่บุคคลผู้ใคร่อยู่คือปรารถนาอยู่ซึ่งมานะ มานะเป็นกิเลสประเภทที่ลึกมากแล้วก็ยากที่สามัญชนทั่วไปจะละได้คนที่ละกิเลสประเภทมานะได้เนี่ยมันก็มีเฉพาะปารหันเท่านั้นเพรา ะ, ะนันเราจะเห็นว่าคำข้อความของธรรมานี่คือเวลาปรากฏในที่ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าตรงเนี้ย ท่านต้องการจะหหมายความว่าอย่างไงท่านมุ่งหมา ย, ย, งงาายอย่างไงท่านใช้คําอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายความว่าอย่างไงเราจเจนว่าคําว่าธรรมะเนี่ยในที่นี้มันเน้นไปในฝ่ายของสมาธิทีนี้ถ้าคนยังกระด้างเนี่ยคนยังกระด้างอยู่เนี่ยมันก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นมันฝึกให้เกิดสงบไม่ได้หรอก ผลอย่างน้อยมาหน้ามันก็ต้องสงบลงไปแต่ว่าถ้าจะดาบจริงๆมันก็ต้องดาบด้วยอรหาตาัตธรรมอย่างหลีกอย่างดังกล่าวไว้ทีนี้บางทีเนี่ยมันเราพบธรรมะในที่อื่นเช่นว่าบุคคลผพ้ฝึกตนแล้วด้วยสัจจะผู้เข้าถึงแล้วด้วยธรรมะผู้ถึงที่สุดแห่งเวทผู้อยู่จบพรหมจรรย์แห่งนี้ นี่ก็ความหมายมันไปเน้นที่จบพรหมจรรย์แต่ลืมว่าฝึกตนเองด้วยสัจจะและในขณะเดียวกันก็เป็นจนถึงก็อยู่จบพรหมจรรย์ก็เป็นการแสดงถึงคุณสมบัติที่สมบูรณ์ก็ต้องเป็นพระหันเพราะว่าคนพวกเดียวที่จบพรหมจรรย์เนี่ยและบางครั้งเราก็พบนะเช่น จะมีทำพิว่าจะมีทมอื่นยิ่งกว่าธรรมสัจธรรม ะ, ะ, มะจากะขันติในโลกนี้อันนี้ก็หมายความว่าในทศพิธราชธรรมไม่ใช่ในคารวะธรรมคือในคารวะธรรมนั้นมันมีบาลีเรียกว่าสัจธรรมะขันติจากะแต่ว่าไอ้ฉันบางทีก็ไม่แน่ เวลาเราเรียงที่เราเรียนในหนังสือเรากวาดเนี่ยก็เรียงอย่างนี้แต่พอมาเรียงเป็นฉันทะลัก ข, ขึ้นมาท่านก็เรียงว่ายดีสั จ, จาธรรมาจากยาขันตยาพิโยทวิชติแปลว่าหากว่าจะมีทำรรอื่นยิ่งกว่าสั จ, จธรรมขันติอา่จะาฆาขันติในโลกนี้ หมวาว่าเราไปที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนในโลกนี้ก็ได้ว่าถ้าสังคมตรงนั้นไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่จิตใจของบุคคลไม่มีสัจจะไม่มีธรรมะไม่มีจาระะไม่มีขันติตถามว่าจะอยู่ได้ไหมแล้วก็จะอยู่ไม่ได้เลย ทีนี้ถ้าเราถามว่าคำเหล่านี้มันมีในศาสนาทั้งหลายไหมคืออาจจะไม่มีหรอกคืออาจจะไม่เรียกชื่ออย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นสภาวะภายในจิตของบุคคลแต่สัจจะก็คือความจริงความซื่อสัตย์จุดจริต ค, ความจริงใจความซื่อตรงตรงกายตรงวาจาตรงใจพูดจริงทําจริงแล้วก็สอดรับกับความคิด หมายความการทําการพูดนั้นสอดรับกับความคิดคิดอย่างไงก็ทําอย่างนั้นคิดอย่างไงก็พูดอย่างนั้นสัจจะเป็นเรื่องทีตต้องชายมากแล้วก็ขาดแคลนมากในตอนนี้เราลองสังเกตว่าเรื่องเป็นนันมากนะที่ที่เห็นชัดเจนเราไม่เคารพความจริงะ ในการใช้บวหารอธิบายในที่มันอธิบายได้หมดเรื่องอะไรก็ตามอธิบายได้หมดอ่ะคนบางทีข้าพ่อแม่ตัวเองอยางอธิบายได้เลยแต่ปัญหาว่าสังคมเรามันพัฒนาขึ้นมาเป็นสังคมมนุษย์แล้วก็มีศาสนาอยู่ในหัวใจปธิหน้าดีใจเวลาเนี้ย มันมีปรรพธรรมะทางพูะสุาสนาเพิ่มขึ้นในหมู่นักการเมืองในนักหมู่นักวิชาการแต่บางครั้งบางคราวท่านก็อ้างห้างไม่ค่อยถูกเหมือนกันซึ่งก็นแน่นอนว่ามันก็เป็นเจตนาดีก็แล้วกันทีนี้ธรรมะตรงนี้มันหมายถึงทั้งการฝึกและการข่มใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเหนียวนึกตรึกนึกในทางไม่ดีจากภายในใจของตัเองเอกจากคะเป็นลักษณะสังคมตรงนี้นะฮะเฉพาะตรงนี้เป็นลักษณะสังคมคือเป็นรูปของการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เป็นการสละให้ปันกันแสดงความมีน้ำใจสงเคราะห์หน่วยเคราะหต่อกันเพราะว่าเป็นธรรมะของผู้ครองเรือนนะครับ แล้วก็มีความหมดกัน้นความหมดทนเราจะเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยเราเคยพบเห็นสังคมหลายปีมาแล้วก็ประมาณทั้งสามสิบปีไปเห็นที่เขาที่จริงเขาด้มนุ์ไปสวดมนต์ันเพจเป็นบ้านนายทหารท่านหนึ่งที่รู้จักกัน แล้วตอนที่ขับรถไปเนี่ยมันก็สวนกับคนซึ่งถาดในใส่อาหารชนิดเดียวกันหลายถ้วยคนขับรถก็ถามเอาไปไหนเอาไปแจะ เ, เพื่อนบ้านล้วรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจนะเห็นสังคมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างนี้พต่ลักษณะอย่างเงี้ยมันมันมีอยู่ในสังคมไทยเป็นการสละให้ปัน คนคนคนไทยสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่แตกสารในธรรมะอะไรเท่าไรแต่ว่าท่านปฏิบัติมันเป็นวิถีชีวิตพระจริงจริงตรงนีงงง้มันเป็นพื้นฐานธรรมชาติที่มีอยู่เลธรรมชาติเราจะเรียกว่าจากะเรียกยังไงก็กได้แต่ว่ามันเป็นแสดงความมีน้ำใจโอ้ป้อมาเ อ, อื้อเพื่อเผื่อแผ่เสียสละให้ปันกัน ขันตินี่เรียกว่าทุกต้องใช้ทุกกรณีนะฮะขันติความบดกลั้นความอดทนความอนทนทานจนนถึงมาทนทนอดแล้วก็อดออมอะไรต่รางๆเนี่ยยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันยิ่งต้องใช้มากถ้าหากว่าเราไม่ฝึกปรือเราขาดหลักการฝึกปรือโอกาสที่จะเอาชนะไอ้กิเลส ไม่ต้องขนาดมานะเรามานะมันเราจะนะยากอยู่แล้วกิเลสบยาบเนี่ยเราก็ชนะได้ยากบางครั้งบางคราวเราก็เสียดายว่าตรงนี้มันก็น่าจะน่าจะพยายามทำนะน่าจะพยายามประพฤติปฏิบัติให้ได้ในในบางครั้งเนี่ย ปัญญานี่เรียกว่าธรรมะก็ใช้ในความหมายของคำว่าปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าการฝึกปรือการอบรมทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องรู้ชัดเจนว่าอะไรเป็นบาเป็นบุญเป็นคุณประโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่งนั้นก็ไม่สามารถจะห้ามจิตตัวเองได้ลักษณะของธรรมะเหล่านี้ที่จริงเวลาเกิดเขาจะเกิดร่วมกันหลายๆข้อ แล้วก็เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันอย่างที่ท่านใช้คำว่าดาเนเณทเมณะสังยเมณะสัจวาเดณะอธิปุญญงอธิปุญญัสะอากโมเปรบบุญมีอยู่การมาถึงแห่งบุญย่อมมีด้วยทานด้วยธรรมะด้วยสัญญมะด้วยสัจวาจา แล้วบางครั้งนี้เรียกอุโบสถกรรมเลยนะครับอุโบสถกรรมอุโบสถศีนแปดนะฮะเรียกว่าธรรมะฝนระเราเห็นว่ากรอบของธรรมะมันก็อยู่เยอะในตรงนี้ก็พูดถึงธรรมะก็คือทานทานเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากใจที่เมตตาหรือใจที่มีปัญญาหมายความมองเห็นคุณค่าของการให้ทานหรือว่าเมตตาต่อคนที่เราให้ เมตตากรุณาต่อคนที่เราให้การให้ทานก็เกิดขึ้นได้เพราะเรื่องเหล่านี้เราจะเห็นว่าปัญญาก็ต้องอยู่ปัญญาอาจจะแทรกอยู่ทุกเรื่องในกุศลเลยําไปเพราะแต่เราขาดปัญญาขาดสติขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการสดสอบในการพิจารณาแล้วมันก็แยกแยะอะไรไม่ออกบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราทาถูกแต่มันผิด เพราะว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องจำแนกแยกแยะให้เกิดความชัดเจนแล้วในขณะเดียวกันท่านก็พูดว่าสัญญะคือการสํารวมระวังสํารวมระวังในหลายระดับระดับที่มันควรจะจะมีมากในสังคมปัจจุบันจะทำยังไงว่าให้เคารพต่อ กฎกติกาต่างๆที่มีอยู่ในบ้านในเมืองเพราะว่าสังคมมนุษย์นั้นมันต้องมีกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันถ้าสังคมไม่เคารพกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วจะอยู่กันลํลำบากมาก mm. ก็อยู่ไม่ได้พวกแงวอยู่ไม่ได้นั่นเป็นกาียุคทีเดียวคือยังจำเหตุการณ์14 ตลได้ตอนนั้นที่จริงก็อยู่ที่อินเดียนะแต่ความวิทยุอยู่ตลอดนั้นมีประโยคหนึ่งที่ผู้นำนักศึกษาได้กล่าวว่าต่อไปตำรวจจะจับผู้ร้ายเนี่ยต้องอแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนเราเออเด็กสมัยนี้มันกำแหงขนาดนั้น น, นะนะลก็บอกเพื่อนบอกว่าถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เราอยู่นี้ดีกว่า ตัวาข้าราชการต้องไปตามคำสั่งนักศึกษาเนะี่ยอย่าอยู่เลยบ้านเมืองอยู่ไม่ได้หรอกจะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรดังนั้นเราจะเห็นว่าการสำรวมระวังมันจึงสำรวมระวังอย่าให้ผิดบทบัญญัติของกฎหมายจารีดขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่ออะไรต่างๆวันก่อนก็อ่านรายละเอียดที่เขาพิพากษา ไม่ใช่ที่เราก็นึกว่าสารมาก่อนปรากฏว่าอายาการถอนฟ้องคดีธรรมชโยแล้วก็พูดเลยเกินภาระหน้าที่ตัวเองไปตัวรู้ได้ยังไงว่าเขาสอนถูกต้องอายาการรอบรู้ขนาดวินิจฉัยธรรมะของพระพุทธเจ้าได้จะลหรมันเก่งเกินไปนฮะ ก็เราอย่าลืมว่าเอาเอ า, เอาเฉพาะที่เป็นกรอบหน้าที่พูดเฉพาะประเด็นก็กดหมายก็ฟ้องประเด็นกดตัวตัวบทกฎหมายอย่าไปไปรับรองระดับระดับของธรรมะอย่างนั้นเราก็ทําให้มีปัญหาเพราะในแง่ประเด็นจริงๆเนี่ยเวลานี้ยังสอนนิพพานเป็นอัตตาอยู่ยังสอนเป็นอายตนะนิพพานอยู่แล้วก็สอนถึงการที่คนทําบุญมากๆไปเกิดในสถานที่ต่างเหล่านั้นอยู่นะ สามารถจะดูได้เขาเรียกว่าโทรทัศน์ร า, ร, ารายการดาวธรรมเนี่ยก็มีคนเขาพระที่เขาดูนะฮะก็ก็มาเล่าให้ฟังนี่เราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องนี่มันไม่ชี้ผิดที่ถูกขนาดนั้นไม่ได้เราไปรู้ได้อย่างไงล่ะคือไปรับประกันอะไรไม่ได้ แต่ก็คิดไว้นานแล้วนะว่าเรื่องนี้ก็คงจะคงจะยกฟ้องแต่นึกวกาจะยกฟ้องแต่ก็ไม่นึกว่าอายการจะเป็นคนถอดเองเอก็ฟังแล้วก็ปรากฏว่ายังไม่มีการปรารบเรื่องของพระธรรมวินัย มสสองท่านออกมาแสดงความเห็นก็แสดงว่าโยดลองคือถูกผิดยังไงเมื่อมีการกล่าวหาต้องทำให้กระจ่างเสียก่อนเพื่อหาข้อยุติที่ถูกต้องไม่ให้เกิดความแตกแยกเรยยียนว่าส่วนดีก็คือส่วนดีที่ควรแกการยกย่องส่วนที่บกพร่องก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขาการกระทำความกระเจากการ นั้นก็คือลักษณะของการใช้เหตุผลการการระมัดระวังการสํารวมนี่จึงสํารวมระดับสีระดับพระวินัยไม่ใช่ระดับกฎหมายระดับสีระดับวินัยระดับสติระดับสติที่สัมผัสอารมณ์แล้วก็ระดับของขันติระดับของปัญญาวิเคราะห์ ปัญหาต่งตางๆชีกิะทุกหมายความว่าตกลงว่าสำรวจในที่ทั้งปวงฮะสำรวตาหูจมูกลิ้นกายก็สำรวกันมาเรื่อยแหละแล้วก็สัจจวาจาสัจจวาจานั้นก็คือพูดจริงตามที่ตนสัมผัสมาแต่ต้องมองถึงสาระประโยชน์ ท, ที่จะได้จากการพูดวาจาเส้นนั้นไม่ใช่ว่าถ้าจริงเราต้องพูดเสมอไป ไปจากที่จริงบางอย่างก็พูดไม่ได้ต้องมองไปที่สารประโยชน์เป็นประการสำคัญทีนี้บางทีเรียกว่าโอุโบสถกรรมธรรมะเนี่ยเรียกว่าโอุโบสถกรรมเพราะว่าศีลทั้งแปดข้อเนี่ยที่จริงต้องอาศัยการฝึกปลื้และอาศัยการหักห้ามใจตัวเองเพราะโอกาสจะผิดศีลมันมีเยอะแต่แต่ละข้อเนี่ย ปฏิบัติรักษายากทั้งนั้นก็เอาขนาดสีห้านี่มันก็รักษายากแล้วแต่นี้เอาไปเพิ่มเงียอีก ต, ตั้งที่จริงเพิ่มสี่นะฮะแต่ท่านบวกไว้ก็กลายเป็นสี่แปดทีนี้บางครั้งบางคราวนี่มันเน้นที่การทนทานคือเน้นเป็นเป็นตัวแทนสติ ไม่ใช่เป็นตัวแทนขันติคือทําหน้าที่แบบขันติอยาา่างพระพุทธดํารัสที่พระพผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งแก่ท่านปุณณะคือใจความโดยสรุปว่าท่านปุณณะเนี่ยท่านต้องการจะไปบำเพ็ญเพียรแล้วก็เผยแผ่าศาสนาที่เมืองบุณาปรันตะพม่าเขาบอกว่าเป็นเมืองเขานะฮะเป็นเมืองสะเทิมอะไรเนี่ยสุนาปรันตะ พู้เจ้าเล่าสั่งว่าเออบุนาที่ด้านคนก็ดุนะจะไปอยู่ไหวเหรอทั่นบอกว่าอยู่ได้พู้เจ้าก็ทรงตั้งคําถามสร้งางสถานการณ์สมมติขึ้นมาถามว่าถ้าไปถึงก็ด่ า, ดานี่เธอจะคิดยังไงก็คิดว่าดีกว่าเขาคว้างปลาด้วยคอนดินถ้าเขาคว้างปลาด้วยควนดินเธอจะคิดยังไง ก็ดีกว่าเขาตีด้วยด้วยไม้พรองถ้าก็ดีีด้วยไม้พรองเธอจะคิดอย่างไงก็ดีกว่าเขาฟันด้วยศัตราถ้าก็ฟันด้วยศัตรานี่เธอจะคิดอย่างไงก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายถ้าก็าฆ่าให้ตายล่ะก็ดีกว่าฆ่าตัวเองพระเจ้าก็ทรงอนุโมทนารับสั่งว่าสักคิต ส, สิโขตวังปุณณีมินาดะมูปะเสเมนะ สมณะคโตสุนาปรันตัดสมิงชนะประเดววิหริตุงแปลมันใจความว่าลูก่อนปุณนะเธอเป็นผู้ประกอบด้วยความอดทนด้วยความสงบนี้แล้วจักอาจเพื่ออยู่ในชนบทสุนาปรันตะอย่างนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นการเรียกขันติชนิดหนึ่งที่แรงมันกระแทกมาจากข้างนอก การเบียดเบียนการข่มขู่การคุกคามมาจากข้างนอกท่านเรียกว่าอาธิวาสนะขันติก็ฟังยากอะ่ะคือคล้ายๆกับอยู่นิ่งๆอะ่ะก็เรียกว่าให้อยู่ทับคือคล้ายๆกับเราเราไม่ถูกโยครอนหวั่นไหวไปกับอารมณ์เหล่นั้นเขาเรียกว่าอาธิวาสนะขันติตรงเนี้ยก็เรียกว่าธรรมะ ทีนี้แต่ว่าในธรรมะในพระสูตรนี่ยเทวดาถามสูงถามจนถึงการละสมาธิอนุญาตการละมานะเพิ่นก็หมายความว่าความรู้ย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตที่ไม่ตั้งมั่นที่ไม่จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันต้องเป็นจิตที่ผ่านสมาธิขึ้นไปอย่างน้อยก็ได้สมาธิและ จึงถือว่าเป็นจิต ท, ที่ตั้งมั่นได้แล้วก็จนไปถึงจุดหนึ่งที่ท่านเรียกว่าโมนนังท่นน า, รรนง า, านใช้คาว่าบริบบอโมนังก็คือญาณในมรรคทั้งสี่ญาณในมรรคสี่ก็คือย่อมรู้เหตุนั้นก็หมายความว่ารู้อริยสัจทั้ง4ี่ประการในการรู้อริยรสัจสีเนี่ยมันเป็นญาณเกิดผุดขึ้นในอริยรสัจ4ี่แต่ละข้อ กันเอรู้ความจริงตามสถานะของอริยสัตว์แต่ละข้อท่านเรียกว่าสัจจญาณคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพูดง่ายว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้นี่เป็นทุกข์นี่เหตุเกิดแห่งทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกิจจญาณคือรู้ภารกิจที่ตนจะต้องทําต่ออริยสัตว์แต่ละข้อ คือรู้ว่าทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งแล้วก็มรรคควรเจริญและยังไม่จะเกิดผุดขึ้นยานข้อที่สองนี่เรียกว่ากิจยานคือรู้ภารกิจที่จะต้องประพฤติกระทําแล้วก็เป็นกัตยานคือรู้ว่าได้ทําแล้วคือรู้ว่าทุกที่ควรกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยท<ด>ี่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญได้เจริญแล้ว เพถ้าหากว่ารู้ตัวนี้ได้มันก็หลุดพน้นจากสังสารทุตรแต่ทีนี้ท่านบอกว่าไอ้คนถ้ายังถ้ายังไม่สามารถละมานะได้เนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรแต่แต่นี้ท่านท่านพูดถึงอบายนะฮะพูดถึงอบายท่านบอกว่า ไม่พึงข้าพ้นฝั่งแห่งเดภูมิกวัตคือวัตตะที่เป็นไปในภูมิสามอาจจะเป็นกา玛กาพบรูปรพบอรูปพบอะไระ พ, นะพวกไงว่ะก็หมุนวนอยู่ในพบทั้งหลายเนี่ยก็เป็นการพูดระดับสูง แสดงว่าเทว ด, ดาตุนนี้แต่ว่าประวัติเขาแคไม่ได้ให้รายละเอียดนะว่าท่านท่านสถานะท่านเป็นยังไงดูแล้วก็พูดธรรมะลึกซึ้งมากทีนี้ถ้าอยู่ในวัฏฏะเนี่ยมันกเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายท่านก็เรียกว่ามัดอยู่เทยะเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความตายความเกิดอที่จริงมันเป็นที่ตั้งของความตาย หมายความมันเกิดกี่คนก็ตายทั้นั้นเนี่ยพวกเหล่านี้ที่จริงมันเป็นอนุสติเป็นมรณะนุสติเป็นการตั้งสติระลึกถึงความตายคือถ้าเราคิดไว้บ่อยๆเนี่ยจิตใจจะสบายนะแล้วก็จะเกิดความกระตือร้นที่จะกระทําความดีรีบเร่งรีบเร่งกระทาความดีเพราะว่าข้างหน้ามันสั้นเหลือเกิน ก็สมมติเนี่ยสมมติว่าอาตมาเองเนี่เจดบสาเราก็คิดเราก็คิดอยู่ทุกวันเราก็พยายามทำงานอะไรก็ให้มันเป็นประโยชน์ไว้เพราะว่าอายุขณะเนี้ยตายเมื่อไรเราก็ไม่รู้เพื่อนฝูงรุ่นราวเขาเดียวกันก็ตายกันไปเยอะแล้วก็รีบเร่งกระทาความดีกระตุ้นเตือนให้กระทำความดี ท, มดทีนี้ท่านพูดถึงป่าลังคือฝั่งของพระนิพพานเนี่ย หมายความว่าการจะดับสังสารวัตรได้มันก็ขึ้นสู่ฝั่งของปณิพานแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการเข้าสู่ฝั่งมันเริ่มที่ปโสรดบันปโสรดบันที่จริงก็ยังหมุนวนนะฮะยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัตรแต่ว่ามันอย่างน้อยก็ปิดประตูนรกท่านไม่ตกนรกอ่ะก็เรียกว่าเดวามนุษย์สสุสังสารนโตท่องเที่ยวอยู่ในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทีนี้มานาที่ท่านต네้องการเน้นเนี่ยมันเป็นมานาเก้าเป็นกิเลสที่ละเอียดรู้สึกว่าเราเป็นรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างน้นแล้วถ้าใครไม่ยอมรับความเป็นของเราเนี่ยเราจะไม่ชอบใครถ้าใครรับความเป็นของเราเราจะเกิดมานาต่อแต่เกิดโลภะนะเราเห็นมันจะเกิดยินดียินร้ายยินดียินร้ายยินดียินร้ายอย่างเงี้ยให้ลองสังเกตว่ารมแบกอัตตาตัวตนเราไปในที่ใดที่หนึ่งนี แล้วไปถึงสถานที่นั้นเขาเราคิดว่าเขาต้อนรับไม่สมศักดิ์ศรีของเราเนี่ยเราจะเกิดโทรสักถ้าเคารพเขาต้อนรับเราคิดว่าสมศักดิ์ศรีของเราเราก็ยินดีแต่ถ้าเกินสถานะของเราเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยชอบมันคล้ายๆก็ไปชดประชันผลจิ ใ, ใจมันก็แขวงแขวงเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็น เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างน้นแต่ว่าในแง่ของสมมุติบัญญตัติในแง่ของโลกกันนะคือหมายความว่าสมมุติบัญญัตินี่เป็นเรื่องสาคัญพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ ย, ยึดติดในสมมุติบัญญตัติแต่ท่านเขาเรียกว่าโลกานวัดคือคล้อยตามสมมติบัญญัติสิเขามีอยู่เขาเรียกยังไงเขายึดถือกันยังไงก็ก็ว่ากันตามภาษาของชาวโลก สืสารกระชาวโลกเข้าใจกันได้แต่ว่าตัวเองไม่ได้ยึดติดในในสิ่งเหล่านั้นแหละ ว, ว่ามันเป็นอย่างนั้นที่จริงมันไม่เป็นจริงหรอกแต่ว่าสาสใดที่อย่างสมมุติปัญญาศาสนั้นเราต้องให้การยอมรับมันก็เหมือนกับบทบาทในการแสดง ไอ้อเช่อเราพระทำปาติโมกเนี่ยพระที่สวดปาฏิโมกเนี่ยจริงเป็นเด็กนะฮะพระอายุมากกว่สวดไม่ไหวหรอกอาจะมาตอนสี่สิบกว่าก็เลิกสวดล้ะสู้ไม่ไหวพอตอนปลายหมดเสียงเลยแต่พอเด็กสวดเราก็นั่งนั่งพนมมือเราไม่ได้ไหวพระใหม่แต่เราไหวพระวินัยที่ออกมาจากปากของเธอ เวลาพระหนุ่เทศเราก็ยกมือไหว้แต่เราไม่ได้ยกมือไหว้พระเทศเรายกมือไหว้ตัวพระธรรมซึ่งก็พระกำลังพูดที่พระกำลังเทศใครเทศก็ไม่รู้บางทีเนนก็ได้อันนี้ก็คือบทตรงนั้นเขาทาหน้าชี้เป็นผู้เทศเราต้องให้ความต้องการให้การยอมรับก็ลงจะทามารถก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่เวลาเนี้ยคือเราต้องการให้คนอื่นยอมรับความเป็นของเราแต่เราไปเสกความเป็นของคนอื่นที่มันเป็นมณหาเนี่ยคือบางครั้งบางคราวเนี่ยมันเหมือนคนอื่นไม่ใช่คนพูดจาถึงคนอื่นเหมือนไม่ใช่คนคำหยาบคายร้ายกาศมากเราไม่นึกว่าจะออกมาจากปากของคนอย่างนี้แต่มันออกมาได้ ในที่เคยเล่าฟังว่ามีคนก็อาเทปว่าป้ากับหลานก็ทวงหนี้กันโอ้โหมันดุเดือดจังเราก็ไม่เคยได้ยินนะฮะเป็นพระกร็ดีอย่างนึ่งแตเราไม่เคยได้ยินคําในลักษณะ น, นั้นคือบางคําบางคําเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยมาหน้านี่มันมีนมอยู่เก้าประการเป็นผู้เลิศกว่าเขาหรือเป็นผู้เสมอเขาหรือเล็วกว่าเขานะะ เป็นผู้เลิกว่าเขาไปยึดติดว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาเนี่ยเราเดือดร้อนหมดเทั้งทั้งทั้งสามอย่างเราเสมอเขาอย่างเงี้ยแล้วเราไปยึดติดว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาหรือเราต่ำกว่าเขาแต่เราไปคิดเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาหรือเราเร็วกว่าเขามันจิตใจจะขับค้องใจจะรู้สึกอึดอัดใจหรือจะรู้สึกยิ่งพยองหรือจะรู้สึกอะไร จองหองลำพองอะไรตไร่างๆเนี่ยมันออกมาในด้านต่างๆเพรินจิตมันมันไม่นิ่งอจิตจะไม่สงบเพลินท่านท่านจึงบอกว่าทั้งหมดหรือมมนจะจำเป็นจะต้องอาศัยการฝึกปลือเพราะอะไรเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะมองเห็นว่ามันไม่มีตัวตนให้เป็นอะ่ะเพราะในความเป็นจริงเราก็ไม่ได้เป็นอะไร เราเริ่มมาจากความไม่เป็นแล้วเราก็เป็นแล้วเราก็ไม่เป็นยังยกตัวอย่างสมณศักดิ์ของพระเนี่ยเทวตมานีก็เป็นมาสามชั้นเป็นมาสี่ชั้นนะเป็นเป็นเออเป็นมาตั้งแต่พระพระปะริยนมาก่อนแล้วก็เป็นมหาแล้วก็เป็นเจ้าคุณโสพลคณาพรราชธรรมนิเทศเป็นเทพดิลกแล้วก็พระนยก็ไม่ได้เตนนะฮะก็ตายหมดอันนี้ก็คือก็คือความจริงแต่เราไปยึด ในความเป็นตรงนั้นผลละพลัการ ท, ที่ที่ดีเนี่ยคือหมายความว่าเรานี่สำนึกบเร็ปเปนแล้วทำให้ได้ทำให้ดีทำให้เป็นทำให้ชอบตามสถานะที่เราเป็นแต่อย่ากเกิดอหังการอย่าให้เกิดประมางการมากเกินไปในขณะที่เดียวกันคนอื่นก็ต้องยอมรับความเป็นของเขาในขณะนั้นนั้นน่คอลักษณะสังคมและสังคมเราต้องยอมรับกันแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยไป ไปเลฮะเห็นเขานั่งคานหามเอาเชิญภาษาเอาเอามือประสานก้นเนี่ยมันไม่ได้แต่ที่โบราณนะันเตือนเอาไว้ดังนั้นการการฝึกปรือยังเป็นหลักการสำคัญมากในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เส้นทางในการฝึกปรือนั้นท่านก็บอกว่าจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยได้แก่จิตที่ตั้งมั่นด้วยสมาธิ อย่างอ่อนๆที่เรียกอุปจารสมาธิจนถึงอภปน า, าสมาธิแล้วก็บรุชฌานท่านเรียกว่าจิตที่ปราศจากญาณเนี่ยมันไปละอันนี้ไม่ได้ไปละมานะไม่ได้เราลองสังเกตว่าการละกิเลสเนี่ยมันต้องขึ้นสู่ระดับญาณตั้งแต่ปะโสดา บ, บันไป คือถ้ายังไม่เกิดญาณขึ้นมาภายในใจอาจจะเรียกว่ายาณก็ได้อาจจะเรียกปัญญาก็ได้วิชาก็ได้แสงสว่างก็ได้นะฮะก็แล้วแต่จะเรียกแต่สรุปว่ามันเป็นผลรวมของศีล ส, สมาธิปัญญาที่ผนึกเป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยศีล ส, สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณแล้วก็จะละสังโยชน์ได้ระดับหนึ่ง ศีล ส, สมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ก็ละได้อีกระดับหนึ่งแต่ตรงนี้เทวดาพูดเนี่ยพูดถึงทุกอย่างนะครับเพราะว่าไปพูดตัวสังโยชน์เบื้องสูงคือมานะเนี่ยมันมันมาจากกิเลสไอพวกพวกสังโยชน์มันมีสิทธิ์นะครัสังโยชน์ที่เรียงตามลําดับการละได้ของพระอริยบุคคลคือสังโยชน์เนี่ยบางทีเราไปพบในอภิธรรมมันจะเรียงอีกบางอีกอย่างเนี่ย แต่ว่าที่เราพูดกันเนี่ยส่วนมากจะเอาตามหลักพระสูตรเพราะว่ามันเกณฑ์กำหนดง่ายว่าเนี่ยปโสรบันละได้อย่างนี้ปัสะกตะคามีละได้อย่างนี้พระนาคาระได้อย่างนี้ปโสรบันละได้อย่างนี้พระนาคาระได้สามได้ห้านะคือความเห็นเป็นที่ถือตัวถือตนความเครือดแคลงสงสัยการถือมันอ่นโดยศีลวัดกามราคะปฏิฆะ แล้วก็ต่อมาก็เพราะงั้นเราจะเห็นว่าพระนาคามีจึงบังเกิดในรูปประพรมเพราะอะไรเพราะท่านมีรูปราคะอยู่ก็ยังละรูปราคะไม่ได้และยังละอรูปราคะไม่ได้แต่ว่าท่านท่านไม่เกิดเป็นอรูปประพรมนะฮะงเกิดเป็นรูปประพรมก็พระอาจารย์ก็ละรูปราคะความกำหนัดในรูปจนถึงรูปฌานอรูปราคะความกำหนับความยึดติดจนถึงอรูปฌาน แล้วก็มานะอุทธจักและอวิชาเพราะงั้นแต่ละข้อเนี่ยมันยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยอยากละละได้ย า, ดายากก็งั้นทนยังไงจะบรรเทาแน่นอนเป็นการถามเบึ้งสูงแต่ว่าเราก็มองในแง่ของการบรรเทาแต่การสาคัญมันจริงอยู่ที่ว่าเราก็ต้องฝึกปรือตัวเอง มันกลายเป็นมาตรวัดอย่างหนึ่งว่าตามปกติแล้วคนที่มีการศึกษานะมีการศึกษาสูงเนี่ยส่วนมากมันจะมีมานะโตาตามไปอ่นะเช่นว่าเป็นร็อกเกอร์อย่างเงี้ยอัตราจะเขือกมากอนะ่จะพูดจาแล้วก็บางคนเนี่ยกระด้างก็ถือว่าตัวเองเป็นศูนย์ของความถูกต้องสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยตัดสินอะไรได้หมดเลยเก่งหมดทุกเรื่อง ซึ่งว่าก็ตามความจริงด ร, รมันเรียนในแนวของการเจาะลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ลึกจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่แน่หรอกทุกคนก็ต้องศึกษาตลอดชีวิตด้วยกันเราอาจจะเริ่มต้นที่ปัญญาตรีปัญญาโทแต่ก็ศึกษาไปเรื่อยๆแต่สรุปว่าการศึกษาในแนวของโลกเนี่ยยังไงมานะมันไม่ลดหรอก เั้นตรงตัวนี้เลยกลายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมาตรวัดอย่างหนึง่งว่าการศึกษาในเชิงพุทธที่ท่านใช้ตัวนี้ใช้คํานําด้วยธรรมเนี่ยเป็นการฝึกปลือพัฒนาตัวเองอบรมตัวเองเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นปัญญาส่วนหนึ่งก็เป็นขันติส่วนหนึ่งก็เป็นการฝึกก็ก็แล้วแต่จะเรียกบางทีก็เป็นอุโสถอย่างที่ว่าเนี่ย ท่านยิ่งความรู้สูงขึ้นเนี่ยมานะท่านยิ่งลดลงอันนี้คือเกณฑ์วัดเลยเกณฑ์วัดที่เราเห็นได้ว่าเราไม่ค่อยเลยทบทวนอะไรกันเท่าไหร่บางทีพระเราไปไปต่างจังหวัดหรือไปอะไรนะมันต้องไปนั่งอย่างงั้นต้องนั่งอย่างนี้ต้องเหมาะสมอย่างน น, นี้มันก็รุงรังไะ น, นะแต่ที่จริงนั่งอะไรก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรก็จัดอะไรนั่งก็นั่งไปเลย คือคือถ้าเราไม่เอาอัตตาให้ใหญ่เนี่ยมันก็จะสละสลวยเขาเรียกสระหลักวุตติประพฤติตนให้เบากายเบาจิตการรู้สึกว่าตนเป็นเนี่ยมันอัตตามันเครื่องมากแล้วถ้าเราไปแบกอัตตาอย่างนั้นในที่สุดมันจะเครียดและจะเกิดอารมณ์อย่างที่บอกยินดียินร้ายยินดียินร้ายยินดียินร้า ย, ย, ย, ยอชอบชังชอบชังชอบชังอย่างเนี้ยคือมันสอบตกตั้งแต่อินเสียสังวร สอบตกระดับศีลศีลที่ประนีตหน่อยนะฮะอระดับอินทรีย์สังวรเนี่ยมันถึงคราวที่จะต้องทบทวนต้องดูจิตตัวเองด้วยว่าสามารถลดพวกนี้ลงไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็พยายามไลดลงไปบ้างก็แล้วกัน ดังนั้นในการฝึกปรือการข่มใจการห้ามใจการใช้เหตุผลสติปัญญาหรือการรักษาศีลเนี่ยมันต้องพยายามทำจนเป็นวิถีชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยในการลดมานะลงไปแต่ว่าการดับในยอย่างที่บอกว่าต้องดับด้วยอาราัตธรรมเพราะในคํามธรรมะของท่านจริงๆมันขึ้นไปถึงจุดหนึ่งคือปัญญาคือเป็นญาน แล้วก็เกิดมาทำลายตัววิชาเมื่อวิชาดับแล้วอุทจักก็ดับนะฮะอุทจักร็ดับมานาะก็ดับรูปราคะก็ดับ ร, รูปราคะก็ดับเพราะว่าพวกนี้มันเชื่อมอยู่กับอวิชาแน่นอนเป็นการพูดถึงระดับภูมิพระอระหันต์แต่ว่าเส้นทางการประพฤติปฏิบัติของสุจริตชนทั้งหลายที่จริงเราเดินตามรอยพระอระหรันต์ แต่กลายชิดกระดาษไนนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลนั้นเป็นสำคัญท่านฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปรุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรูนในธรรมจงมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี